คอยส่งผล ไ, ไร้ระลยอาจลึกลับแต่มั่นคงกัการส่งผลข้างกันคือทำอะไรทำดีหรือไร